ง่ายจานวิมลมาใจลอยไปแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะเอารูปหล่อหลวงปู่ดูลยืนนะรูปยืนทำไว้หกเดือนแล้วยังมาตั้งขึ้นแท่นขั้งหน้าคุณเบอร์สามมาจากไหนแม่เหรอแม่ยังสาวนะลูกโตไปเลรอแล้วแม่แม่ยังดูเด็กอยู่ ไปฝึกบ้างไหมฟังเทปฟังเยอะๆนะฟังแล้วก็สังเกตใจเราจริงๆแล้วการปฏิบัติมันไม่ได้มีอะไรยากหรอกมันคือการเรียนรู้ตัวเราเองเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจกายกับใจคือสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราเรียนรู้ไปเรื่อยแล้วทำไมถึงมันถึงทุกข์ศาสนาพุทธจริงๆเรียนเพื่อให้พ้นทุกข์โดยเฉพาะความทุกขทางใจ เป็นสิ่งที่เราพ้นไปได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายในะขณะนี้มีร่างกายขึ้นมาแล้วต้องรับผลร่างกายเป็นวิบากเป็นผลของกรรมในอดีตทำให้เราต้องได้ร่างกายอันนี้ขึ้นมายังไงก็ต้องรับความทุกข์ไปก่อนแต่ความทุกข์ทางใจนะี่เป็นของที่เราผลิตขึ้นมาใหม่สดๆร้อนๆถ้าเรารู้เท่ารู้ทันล้วก็ไม่ไปปรุงมันขึ้นมา ธรรมะไม่ได้มีอะไรลึกลับง่ายง่ายนะเรียนรู้ตัวเองไปเข้าใจสิ่งที่เรื่องว่าตัวเราเองขอบเขตคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนในเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์พูดอีกสำนวนหนึ่งก็บอกว่าสอนเรื่องวัตตะกับวิวัฏตะก็ได้วัตตะคือความที่เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์เนี่ยวิวัฏตะคือทำอยังไงเราจะพ้นเวียนว่ายตายเกิดไป ว, วัตตะที่ท่านสอนเนี่ยเป็นความหมุนวนนะถ้าพูดเต็มสูตรออกมเลยก็คือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายเกิดตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณเนะี่ยเริ่มจากอาวิชชาปัจจยาสังขาราจนสุดท้ายเลยเนกะ็บอกว่ากองทุกข์มันเกิดขึ้นได้เพราะเหตุนี้เพราะเหตุที่มันเกิดสืบต่อกันไป อันนี้พูดเต็มศูนย์ก็ยาวหน่อยแต่ถ้าพูดย่อๆเราก็ย่ออริยศัสตร์ลงในอริยอแล้ว ย, ย่อปฏิจจสมุปบาทลงในอริยศาสตร์ก็ได้ธรรมะเนี่ยจะพูดให้ยาวก็ได้พูดให้สั้นก็ได้นะแต่ใจความมันเท่าๆกันถ้าพูดอย่างย่อๆเนี่ยเพราะมีสมุทัยมีตัณหาขึ้นมานี่ถึงเกิดทุกข์ เพราะมีความทุกข์ขึ้นมามันก็มีสมุทัยอีกทุกข์กับสมุทัยอยู่ในอริยสัจเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายของวัตตะมีทุกข์กับสมุทยัยสมุทัยคือตัวตันหาพอเราอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขก็ เ, เกิดการดิ้นรนขึ้นมายิ่งดิ้นรนยิ่งทุกข์พอมีความทุกข์เราก็อยากให้มันสุขอีกดิ้นอีกเพระฉะนดิ้นไปเรื่อยๆ วัตตนนี้เขหมุนไปเรื่อยๆนะมีทุกข์ก็เลยมีสมุทยัยมีสมุทัยขึ้นมาก็เกิดทุกข์อีกหมุนเวียนไปอย่างนี้ส่วนธรรมะฝ่ายวิวัตตนะนถ้าพูดเต็มสูตรนั้นะคือปฏิจจสมุรปรบาทสายนิโรธมันะบอกว่าอาวิชาดับไม่เหลือความอาวิชาดับไม่เหลือเยนะความปรุงแต่งก็ไม่มีนะไล่ไปเรื่อยๆจนถึงทุกข์มันไม่มี ถ้าพูดสิบสองขั้นยาวไปก็พูดย่อๆก็ได้เพราะรู้ทุกข์แจมแจ้งเนี่ยสมูทัยเป็นนันถูกล่าอัตโนมัติเมื่อสมูทัยถูกล่าอตโนมันินิโรธแจ้งขึ้นในขณะนั้นเลยรู้ทุกข์แจมแจ้งเนะล่าสมูทยัยนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตานี่ขาดแล้ววิวัตต์ตัววัตต์ความหมุนเวียนมันขาดแต่เดิมเราไม่รู้ทุกข์เราไม่รู้สมูทัยนะ เราไม่รู้จักทุกข์เราไม่รู้ว่ากายในี้ใจในี้เป็นตัวทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวดีเป็นตัวของเราก็ดิ้นรนอยากให้มันมีความสุขเนี่ยตัญหามันเกิดจะดิ้นไปใหญ่ยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้ น, นก็ยิ่งทุกข์เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราดิ้นรนนั้นเราปรารถนาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราปรารถ น, นาอะไรรนะู้ยเราปรารถนาที่จะไม่มีไตรลักษณ เราอยากให้ร่างกายจิตใจนี้เที่ยงอยากให้ร่างกายจิตใจนี้มีแต่ความสุขอยากให้ร่างกายจิตใจนี้เป็นของบังคับได้ตามใจชอบความอยากนี้ไร้เดียงสาเพราะเป็นไปไม่ได้เลยเงราะนความอยากที่เกิดขึ้นมาทำให้เราดิ้นเปล่าๆเานะยิ่งดิ้นไปแล้วก็ไม่ได้สมอยากหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญารู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจนะเรียกว่ารู้ทุกข์กายกับใจนี่แหละคือตัวทุกข์ พอรู้ทุกแจ่มแจ้งกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกเป็นสมบัติของโลกยืมเข้ามาชั่วคราวนะแต่ว่าหน้าด้านไม่คืนเขานะอืมยืมมาหวงบัญญดปัญญาแจ้งมันคืนเจ้าของคือโลกเข้าไปสมูทายจะขาดอัตโนมัติคือความดิ้นรนที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขให้มันเที่ยงให้มันเป็นสุขให้มันเป็นตัวเราบังคับได้น่าจะหมดไปทันทีเลย เพราะมันรู้เรามันไม่ใช่ตัวเรามันบังคับไม่ได้คืนเข้าไปแล้วนะความดิ้นรนของจิตใจก็หมดในสมูทัยมันดับเพราะงั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมูทัยดับแล้วสมูทัยดับทุกข์ก็ดับอีกนะความทุกข์ในจิตในใจก็จะเกิดหายไปการก่อเกิดในภพในภูมิใหม่ก็จะไม่มีขึ้นมาเพราะใจไม่ไปก่ออะไรเนื้อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเป็นเรื่องวัตฏะกับวิวัฏฏะหรือเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์นั่นเองความพ้นทุกข์ ทุกมันก็มีวงจรของมันเกิดจากความอยากที่มีความอยากขึ้นมาเพราะมีความทุกข์อีกละหมุนไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ทุกข์มันเต็มอิ่มมันสบายแล้วมันก็ไม่ต้องอยากสิเพราะะนัรถ้าเมื่ใจเราตัดวงจรของวัฏฏานิขานะวิธีตัดวงจรของวัฏฏานี้ไม่ใช่ไปห้ามความอยากแต่ให้ไปเรียนรู้ทุกเรียนรู้ลงมาที่กายเรียนรู้ลงมาที่ใจ รู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเนี่ยมันคืนกายคืนใจให้โลกเข้าไปคืนให้ธรรมชาติไปมันจะหมดความดิ้นรนเลยปัญหาคือตัวสมูทัยจะดับทันทีนะเเมื่อไร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นสมูทัยเป็นอันทุกลาอตโนมัติเมื่อไร่สมูทัยถูกลาเมื่อ น, นั้นนิโรธแจ้งขึ้นมาอัตโนมัตินิพพานไม่เคยหายไปไหนเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็นนิพพาน ถ้าจิตของเราเนี้ยมันคันคันตลอดเวลานะดิ้นไปตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้จริงดิ้นดิ้นรนปรุงแต่งไปด้ยถ้ารู้เท่ารู้ทันกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราลคืนโลกเข้าไปความดิ้นรนก็ไม่มีเมื่อใจไม่ดิ้นรนใจเข้าถึงความสงบสุขเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงนิพพานคือสันติสุขนั่นเองสันติลักษณะมีความสุขมีความสงบ เพรน้นทางพ้นจากวัตฏนะนั่นคือการรู้ทุกข์นี่องรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจรู้บ่อยๆจะเห็นความจริงแล้วปล่อยวางได้ก็พ้นวัตตะล้ ว, ตรตรลวถ้าไม่รู้ทุกข์จะเห็นว่ากายกับใจเป็นตัวเราแลเกิดสมูทายอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดิ้นไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นก็ดิ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบจริงๆธรรมะไม่ได้มีอะไรมากนะมีเท่านี้แหละแต่ สัมมวนโมหานแต่ละครูบาอจารย์ก็แตกต่างกันไปเนื้อหามันก็มีแค่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์นั่นเองพูดละเอียดก็เป็นปฏิจจสมุปบาทพูดย่อๆลงม า, ม, ง ม, ามันก็ย่อลงในอริยสัจได้นี่พวกเราดูปฏิจจสมุปบาททั้งสายไม่ไหวหรอกผูทททรรกกนะ้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสายต้องเป็นพระอรหันยากมากนะที่เห็นปฏิจจสมุปบาทตลอดสาย เพราะสายหนึ่งเนี่ยมันคาบเกี่ยวสามการได้สามเวลาแต่สามเวลานี้ไม่ใช่อดีตปัจจุบันอนาคตอย่างนี้หรอกตัวเราสิ่งที่เรียกว่าเราหรือตัวเราในขณะนี้แหละมันเป็นผลของอดีตปัจจุบันตัวเนี้ยมันคืออนาคตของอดีตด้วยในฝ่ายของอดีตมันคือปัจจุบันคือขณะนี้ด้วยคืออดีตของตัวอนาคตด้วย เพ้นปฏิจจสุบัติจยทําให้แจ้งยากมากนะมันซับซ้อนแลเรียนย่อยๆเรียนง่ายๆนะรู้ลงมาที่กายรู้ลงมาที่ใจนี้ย่อยให้ฟังแล้วย่อยแล้วย่อลงมาก็เรื่องทุกข์เขาเลมีทุกข์มีสมุทัยนะเขามีทุกข์ขึ้นมาก็เลยมีสมุ ท, ทยัยมีสมุทัยแล้วก็มีทุกข์วัฏะหมุนอยู่แค่นิ่งถ้าอยากมีวิบัติตะพนจากวัฏะ ร, รู้ทุกข์เข้าไป คืนกายคืนใจให้โลกสมูทัยดับสมูทัยดับทุกก็ดับอีกนะพปฏิจจสมบัติขาดสายตรงนี้เองตรงรู้ทุกข์ว่ารู้ทุกข์ก็คือล่าวิชาได้นั่นเองละอวิชาคือความไม่รู้วาริยสัตว์ไม่รู้ว่าขันห้ากายใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะแล้วก็ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมูทัยว่าสมูทัยคือตันหามเกิดเพราะอะไรไม่รู้จัก เกิดแล้วมันทําหน้าที่อะไรไม่รู้จักทําแล้วมีผลยังไงก็ไม่รู้ใจแนละ้มีแต่ความอยากเกิดขึ้นก็สนองความอยากไปเรื่อยๆเนื่องไม่รู้จักสมุทยัยนิโรดนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่เคยเห็นมีแต่นิโรตน้อมนิโรตนึกนะนึกๆึกกเอาคิดว่านิพพานเป็นความว่างแล้วจงใจกําหนดความว่างๆขึ้นมาเหลวไหลนะอย่างนั้นพรูพเจ้าไม่เคยสอนให้ไปกําหนดความว่างท่านสอนแต่ให้รู้กายรู้ใจในในสติปัฏฐานไม่มี สุญญาตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่เคยมีนะเหยียบจงใจไปกำหนดว่างๆหลายคนชอบไปทำให้ว่างๆแล้วก็ว่าดีละหลงนั่นแหละหลงห ล, ลงว่างถ้ามาเรียนแล้วสนุกนะสนุกลึกซึ้งสนุกมากให้ศึกษาจากของจริงของเราแล้วก็ความทุกข์มันค่อยๆหดหายเป็นลำดับลาดับไปเบื้องต้นแค่เกิดสติก็มีความสุขละ แค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วใจมันเป็นกุศลขึ้นมาทันทีที่สติเกิดใจเป็นกุศลทันทีที่ใจเป็นกุศลใจก็มีความสุขสมาธิเกิดใจก็มีความสุขปัญญาเกิดก็มีความสุขนะวิมุตติเกิดยิ่งสุขใหญ่นะพอวิมุตติยานทัศนะเกิดก็มีความสุขอีกวิมุตติยานทัศนะคือการที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นไปเข้าใจนิพพานนั่นเองนะค่อยๆฟังนะฟังไปเรียนไป หากสังเกตจิตใจของเราไปฟังหลวงพ่อครั้งเดียวไม่รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องประหลาดไม่ใช่เรื่องประหลาดเลยเพราะเราไม่ค่อยได้ฟังธรรมะแบบนี้เราได้ฟังแต่ธรรมะที่เป็นเทสนาวูหารสั่งสอนอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ควรทําอันนั้นไม่ควรทําอะไรเงี้ยะถ้าอย่างนั้นจะฟังง่ายแต่ธรรมะที่เป็นตัวสภาวะล้วนๆนี่ยเราไม่ค่อยได้ฟังว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีอะไรเงี้ย เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้ฟังเย่านธรรมะที่เราเคยฟังแต่ว่าอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะอย่างธรรมะอย่างนั้นเราคุ้นง่ายเย่างฟังหลวงพ่อครั้งแรกไม่รู้เรื่องไม่ต้องตกตกใจนะมีซีดีให้นะแจกด้วยนะไม่ได้ขายนะเหลือเนื้อโฆษณาขายแจกให้ไปฟังมีเคล็ดลับของการฟังคือฟังแล้วห้ามคิด ฟังแล้วให้สังเกตใจของเราไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจเราก็เผลอไปเดี๋ยวใจเราก็มาบังคับตัวเองไว้เดี๋ยวใจเราสุขเดี๋ยวใจเราทุกข์ที่ฟังแล้วก็สงสัยบางทีฟังแล้วก็เบิกบานเนี่ยซีดีของหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะเทศให้มันสวิงสวายหน่อยให้ความรู้สึกมันเปลี่ยนๆไปเรื่อยแล้วหัดดูไป <c> ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดดูสภาวะไปเรื่อยๆซีดีหลวงพ่อรับรองไม่เหมือนใครนะกล้ารับรองหรือจะเหมือนก็ไม่รู้นะ แต่หลวงพ่อคิดว่าไม่เหมือนอะซีดีหลวงพ่อเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวฟังได้ทั้งชาติเลยฟังไปเถอะฟังแล้วฟังอีกนะรับรองว่าความเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกฟังครั้งที่หนึ่งนะแล้วก็หยุดไว้แล้วมาปฏิบัติแล้วมาฟังใหม่ความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกกล้าท้าเลยนะนี่พูดอย่างนี้เพื่อจะชวนให้ฟังนะล <c oughs> องฟังมากๆแล้วจะรู้เลยไม่เหมือนเดิม ความรู้เข้าปัจจัยจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเพราอะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยคิดว่าฟังธรรมมาแล้วรู้เรื่องอย่างพวกเราแต่ละคนเคยอ่านอริยสัจสี่นึกว่ารู้เรื่องนะคนที่รู้เรื่องอริยสัจสี่คือพระอระหันต์เท่านั้นนะของเราไม่รู้เรื่องหรอกเราก็นึกว่ารู้เรื่องถ้าเรานึกว่ารู้เรื่องเราก็ปิดตัวเองอยู่แค่นั้นก็เรียกฉาล้นถ้วยเรียนอะไรใหม่ไม่ได้ละทำใจให้แบงๆไว้ยังไม่รู้อะไรจริงหรอกค่อยๆเรียนไป ถ้ารู้จริงต้องพ้นทุกข์นะถ้ายัางทุกข์อยู่ไม่รู้จริงหรอกเยงเราเรียนขันห้าเป็นทุกข์เคยฟังนะสวดนมนต์บางคนทําวัดเช้านะสังกิเตนะปัญจุปาทานะขันทาทุกขาว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์แม้สวดเจ๊วๆเลยบางคนนะถามีใครเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ไม่มีหรอกเราจะรู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขว่างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแล้วยังคิดว่าเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้า ถ้ายังเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างก็ไม่ตรงคําสอนนละ้ท่านสอนคําว่าทุกข์ก็คืออุปาทานขันห้าคือขันห้าคือกายกับใจนี้แหละตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเนี่ยเราเข้าใจว่าทุกข์บ้างสุขบ้างเรายังนึกว่าเราเข้าใจธรรมะเลยไม่เข้าใจดอกต้องตามรู้ตามดูกายตามรู้ตามดูใจมากๆนะตามรู้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงดูความจริงเขาเป็นยังไงดูเข้าไปเรื่อยดูบ่อยๆ เบอร์สิบอ็ดใจลอยไปแวบหนึ่งทราบไหมใจมันหนีไปเมื่อกี้เนี้ยมันลืมตัวเองไปหนีแว บ, บไปแล้วก็รู้ทันมันมันหนีไปเบอร์แปดนชอบบังคับตัวเองทราบไหมเออบังคับมากไปเห็นไหมสุดตรงสองข้างะเบอร์สิบเอ็ดหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยสุดตรงไปข้างหลงนะสุดตรงข้างหนึ่งคือบังคับตัวเองสุดตรงข้างหลงก็ตามใจกิเลสวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดนะ ทำไมต้องวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดก็เพราะอยากดูอยากฟังอยากคิดเพราะกิเลสมันบงการให้ทํามันก็ลืมตัวเองมัวแต่ไปคิดอยู่ลืมกายลืมใจอีกข้างหนึ่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเรื่องอัตตะกิลมัฏฐานโยกต้องระวังนะพวกเราหลายคนฝึกจนแทบพิกลพิการเพราะบังคับมากไประวังว่าบังคับได้ที่วันหนึ่งจะบรรลุไม่บรรลุหรอกคนละเรื่องกันเลย เพราะอะไรมันเป็นเส้นทางที่พระพุทธเจ้าห้ามเรดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างที่บร่นผชิตไม่กวรเสพคือความสุดต่งสองด้านหนึ่งการสุขานิการนุโยคตามกิเลสไปอันหนึ่งโยโยอัตตากิลมัฏฐานุโยกบังคับกายบังคับใจตัวเองนักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยคือนักบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจเบอร์แปดรู้สึกไหมคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับเมื่อ น, นั้นแหะ พอไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติก็ใจลอยไปเลยนะสุดโต่งสองข้างแล้วทําไมเราจะรู้สึกเอ้ฝึกหลายปีทําไมไม่ได้ธรรมะตัวจริงจะได้ธรรมะตัวปลอมน้ําพังงกบุบบ้บาบา้บาเราก็นึกว่าได้ธรรมะกันไม่ได้หรอกธรรมะไม่ใช่อากการขาดสติอย่างนั้นขณะที่เกิดอริยมรรคยังมีสติอยู่นะมีจิตอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่มีจิตไม่ใช่จิตดับหายไปแล้วบอกว่าบรรลุมรรคผลขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิตเรียกว่ามรรคจิต ขณาที่เกิดผลก็มีจิตเรียกว่าผลจิตมีจิตตลอดมีสติมีองค์ธรรมป่ายกุศลประชุมอยู่ตลอดไม่ขาดสายเลยบูชาเป็นไงบูชาเบือ่อเบื่อกระสงใสยเนี่ยเป็นไม้ตายของกิเลสเอาไว้ปราบพวกปัญญาชนสองตัวนี้ถ้าใครสู้ได้นะแล้วสบายละพอเบื่อขึ้นมานะท้อแท้หมดเรียกหมดแรงไม่ยอมดูแล้วนะ ควาจริงเบื่อเขดูมันเข้าไปรู้ว่าเบื่อะพอสงสัยเกิดขึ้นไม่ยอมรู้ว่ากําลังสงสัยนะเยพยายามคิดหาคําตอบคิดใหญ่เลยเยิ่งคิดยิ่งหลงสองตัวเนี้ยเป็นไม้ตายนะนี่หลวงพ่อบอกกระทั่งไม้ตายของฝ่ายตรงข้ามให้แล้วนะอแบ่ป๋าจะรู้ว่ามันมีไม้ตายสองตัวนะหลวงพ่อก็ถูกมันทุบสน่วมเลยบาดเจ็บมามากมายแล้วนะ ก่อนจะเอาตัวค้นความทุกข์ความรุ่มใจออกมาได้เป็นลาดับลาดับเบื่อรู้ลงไปเบื่อไม่ใช่จิตเรานะรู้สึกไหมเบื่อเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าดูลงไปอีกนะเบื่อกับจิตคนละอันกันจิตไม่เคยเบื่อนะจิตเป็นคนรู้จิตไม่เคยเบื่อนี่พอเราความเบื่อมันปรุงขึ้นมาจิตเราไปเกาะมันไว้เลยกลายเป็นว่าเราเบื่อจิตเราเบื่อ ความจิงเบื่อเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตเราเบื่อนะค่อยๆดูตรงนี้ไปงั้นหลวงพ่อช า, ชาสอนดีนะแบขยันก็ปฏิบัติขี้เกียจก็ปฏิบัติเยของหลวงพ่อก็ต่อของท่านหน่อยหนึ่งเบื่อก็ปฏิบัตินะขยันก็ปฏิบัติคือหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ลูกเดียวเลยใจมันเบื่อรู้ว่าเบื่อไปเห็นนี่ความเบื่อไม่ใช่ใจของเรานะความเบื่อเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาสิงเป็นไงสิง ยังตื่นไม่เต็มที่นะสิงแต่ยังหลงไปในโลกของความคิดงค่อยๆรู้ทันด้วยต้องฝึกฝึกซ้อมนะทุกวันไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิเดินจงกรมหรืออะไรก็ได้มีรูปแบบของการปฏิบัติไว้อย่างหนึ่งรู้ลมหายใจไปก็ได้เคยรู้ลมก็รู้ไปรู้ลมหายใจแล้วหัดสังเกตสภาวะไม่ใช่รู้ให้ใหสงบเฉยๆนะพวกเราส่วนใหญ่พอไปรู้อะไรก็ชอบน้อมเข้าหาความสงบมันก็ดีเหมือนกันแต่ดีแบบสมถะ ตอนนี้เราหัดอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันนะหายใจไปแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะจิตโมโหขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมารู้ว่าหงุดหงิดนะจิตสงบรู้ว่าสงบจิตมีปีติรู้ว่ามีปีติหายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นกันหัดรู้สภาวะเดี๋ยวสติตัวจริงจะเกิดเกิดเองนะสติไม่ได้เป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดได้ ฟังแล้วดูไรอันาคพจนเนะหลวงป้อบอกสติก็สั่งให้เกิดไม่ได้แต่ถ้าใครคิดว่าสติเป็นสิ่งที่สั่งให้เกิดได้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฐินะเพราะทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ดอกสติมีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุของสติคือจิตมันจำสภาวะได้มันจำได้แล้วสติมันเกิดเองเบอร์เจ็ดสิบเก้าฝึกมาแบบไหนใจมันค่อยตื่นขึ้นมาแล้ว รู้สึกไหมสองคนนะจิตมันเริ่มเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วนะดีแล้วสองคนนะฝึกไปส่วนใจญปไปติดแต่สมถะครูบาอาจารย์ท่านบ่นนะว่าเอาแต่ทำสมถะไม่ยอมเดินปัญญาอจามหาบัวเนี่ยตอนหลังๆคนไปถามเรื่องสมถะนะบอกไปอ่านเอาเขี่เกียพูดแล้วพูดมาหลายปีแล้ว ให้มาพูดเรื่องเจริญปัญญาบั้งเจริญปัญญานี่มีสติซักฟอกลงมาในกายในใจนีนะ้เรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจนี้เบอร์เจ็ดสิบเก้าใจลอยไปอีกแล้วรู้ไหมใจมันหนีไปแล้วรู้นะเคยมาที่นี่ไหมฝึกได้ดีสอคนเลยนะใช่ได้นั่นก็ดีใจมันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วหลงไปแล้วเบอร์เจ็ดสิบเก้า ผมมีประสบการณ์ที่วเวลามีใครกล่าวว่าหรือกล่าวหาเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบใจรู้สึกว่าตัวเองมโมโหคือรู้สึกไม่พอใจในใจเรารู้แล้ครับแต่ตรงก่อนก่อนหน้าน่าจะรู้สึกว่ามีมือนมีอะไรที่ว่ามันยึดว่ามีมีมีมตัวเราอยู่ไอ้ตรงนั้นเออขาเรียกว่าอะไรครับดีแล้วเพราะมันมีตัวเราขึ้นมารับก้อนหินเนี่ยก้อนหินเลยโดนหัวเราได้มันรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ก็รู้ไปวันหนึ่งตัวเราหายไป ให้รู้สึกตรงตัวเราที่มีอยู่ตรงนั้นหรอครับอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลงปัจจุบันนะไม่ใช่จงใจไปรู้อันใดอันหนึ่งนะรู้ลงปัจจุบันไปเช่นทีแรกความรู้สึกอะไรปุดขึ้นมาเราก็รู้เสร็จแล้วมีความเป็นตัวเราแทรกเข้ามาเราก็รู้เสร็จแล้วเกิดดีใจว่าไปเห็นตัวเรารู้ว่าดีใจนะรู้ลงปัจจุบันไปอย่าไปจ้องอยู่ที่ตัวใดตัวหนึ่งรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆรู้ไปสบายสบาย แล้วเขาอยิขนพละมาแนละ้วเอาเข้ามาในนี้แนละ้วแต่ทำไมเหลืองๆ เ, เหลืองอ่อยเลย <c oughs> รู้สึกไหมพอมีคนเคลื่อนไหวพวกเราดูเขาเรารืมตัวเราเองรู้สึกไหมเบอร์สิบเอ็ดเนื้อใจมันจะไปสองคนนี้ดีนะฝึกใกลจะตื่นแล้วละ่ะตอนหลวงพ่อพูดช่วงแรกๆนะไม่มีซีดีไม่มีอะไรนะคนมาอยู่ก็เจอหลวงพ่อเลย ฟังแล้วหลวงพ่อพูดแล้วจะงงนะบางคนฟังแล้วโมโหไปเลยไอ้นู้นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดแล้วไม่ให้ทําอะไรสักอย่างพอบอกไม่ทําอะไรสักอย่างก็ผิดอีกแล้วเอาทําก็ผิดนะไม่ทําก็ผิดแล้วเอาอะไรอะ่ะะก็ไม่เอาอะไรอ่ะสิเนี่ยถามว่าหลวงพ่อเล่นสำนวนนะจริงพูดธรรมะเนี่ยพูดซื่อๆเลยนะพูดแบบซื่อๆตรงๆเลยนี่พวกเราไม่เข้าใจก็ฟังยากนิดนึง จะเข้าใจธรรมะได้นะ่ะมีทางเดียวนะลงมือปฏิบัติลงมือดูกายดูใจของจริงเนี่ยฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อยพอใจมันตื่นขึ้นมาจะรู้เลยว่าไอ้ที่งมงายทำอยู่เดิมนะันมันใช้ไม่ได้นะส่วนใจมันใช้ไม่ได้มันติดสมถะจะเพ่งลูกเดียวอหรือไม่ก็คิดลูกเดียวนะคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดไปเรื่อยบางคนชอบคิดนะยิ่งคิดถึงมาหาสุญญาตาได้ยิ่งดีใหญ่เนะี่ยคิดแล้เพลิน ขออนุญาตถามนะคะไหนอยู่ไหนอ่ อ, อตอนที่เวลาที่เราสังเกตจิตเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าเวลาคิดก็ให้รู้ว่าคิดเวลาจะทำอะไรให้รู้ว่าจะทำํำทีนี้เนี่ยกรณีที่รู้ว่าคิดแล้วนี่สรุปแล้วที่คิดต่อได้ไหมคะคือรู้ว่าคิดแล้วก็คิดคต่อคืออย่างนี้เวลาที่เราทํางานเวลาเราเรียนหนังสือต้องคิดนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติตั้งอกตั้งใจคิดให้มันรู้เรื่อง ในเวลาที่เหลือเนี่ยใจแอบไปคิดรู้ทันว่าใจปิดคิดคนส่วนใหญ่รู้เรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตคิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องประหลาดใครๆก็รู้นะหมาก็รู้นะมาหลวงพ่อวันนี้มันไม่อยู่จะได้สาธิตให้ดูมันคิดอะไรมันก็รู้ว่าว่ามันคิดอะไรอืมมันคิดว่าเดี๋ยวมันจะไปที่ประตูโน้อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นเดินไปเงั้นการที่รู้ว่าคิดเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์แต่ถ้ารู้ว่าจิตคิดเนี่ยอัศจรรย์แล้ ความคิดจะดับแว บ, บไปรู้สึกไหมทันทีที่ความคิดดับแว บ, บไปเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะอะไรเพราะถ้าตราบใดที่ยังหลงอยู่ในโลกของความคิดยังคิดอยู่เนี่ยเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เนื่องจากมีกฎของธรรมชาติอยู่ข้อหนึ่งเป็นกฎเลยนะข้อนี้จิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตเปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยจิตจะรู้กายรู้ใจไม่ได้ งั้นถ้าเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันปั๊บจิตจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้หยุดคิดไปแต่แล้วมันก็กลับมาคิดต่อต้องคิดสิมันยังมีเรื่องต้องคิดเราไม่ได้ฝึกจนกระทั่งตัวเองกลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะเอจิตมีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดมันก็รู้สึกนึกคิดไปเราเป็นหน้าที่เรียนรู้มันเท่านั้นมีหน้าที่แค่เรียนรู้มันไม่ใช่ห้ามมันนะงั้นเมื่อเรื่องที่ยังคิดยังมีอยู่มันต้องคิดอีก ถึงไม่มีเรื่องจะคิดมันก็หาเรื่องคิดจนได้เพราะอะไรเพราะจิตมีหน eh ้าท like ี่มีธรรมชาติรู้สึกนึกคิดเขาอยากคิดห้ามไม่ได้นะเราก็เรียนรู้ไปไม่ใช่เพื่อไปห้ามเขาคิดแต่เราเรียนรู้จนกระทั่งเราเห็นความจริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันอยากคิดมันก็คิดมันอยากสุขมันก็สุขมันอยากทุกข์มันก็ทุกข์นะมันเป็นกุศลบ้างอ่กุศลบ้างเลือกไม่ได้บางทีมันก็วิ่งไปทางตาบางทีมันวิ่งไปทางหูบางทีมวิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดเลือกไม่ได้ ห้ามไม่ได้รู้สึกไหมมันจะเปลี่ยนแปลงมันห้ามไม่ได้สักอันเดียวเนี่เรียนเพื่อให้เห็นตรงนีนะ้ไม่ใช่เรียนเพื่อให้หยุดคิดนะที่ครูบาอาจ า, ารย์สอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ท่านไม่ได้สั่งว่าจงหยุดคิดนะแต่ตราบใดที่เรายังไหลอ ย, อยู่ในความคิดเนี่ยเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ท่านบอกเฉยๆเพราะงั้นเราจะเรียนกรรมาฐานด้วยการคิดเอาเนี่ยเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ แต่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตแอบคิดเราจะรู้กายรู้ใจได้แต่ถามว่าพอรู้ว่าจิตคิดเรารู้กายรู้ใจแล้วมันจะคิดใหม่ไหมต้องคิดนะไม่ใช่เรียนจนเป็นคนพิการนะคิดไม่เป็นเรื่องการนำสติที่มองอารมณ์ตนเองเนี่ยการสังเกตอารมณ์ที่รู้ถัานเนี่ย อ, อย่างเช่นเวลาที่เราดีใจเสียใจหรือว่ากรคือความหลังจากที่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงเพียงแต่ว่า รู้ทันแล้วเกิดว่าตอนนี้เรากําลังโกรธเรากําลังอารมณ์ไม่ดีเราไม่ได้ฝึกให้ลดน้อยแต่เราฝึกให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับเห็นตรงนี้ไหมโกรดเกิดแล้วก็ดับโลคเกิดแล้วก็ดับดีใจเสียใจเกิดแล้วก็ดับเราเรียนเพื่อสิ่งนี้ต่างหากหลวงพ่อบอกแล้วเราไม่ได้เรียนเอาดีดับเร็วขึ้นกว่ า, วาใช่ <คน S 1> ใช่นั่นแหละดีแล้วล่ะนั่นมีพัฒนาการแล้ว แต่เดิมเคยโกรธทีหนึ่งหลายชั่วโมงเดี๋ยวนี้พอความโกรธผุดแว บ, บก็ขาดส บ, บั้นไปแล้วภพชาติของเราสั้นลงแทนที่จะเป็นภพขี้มโมโหอยู่หลายชั่วโมงนะก็เป็นภพชี้มโมโหหนึ่งแวบอะไรเงี้ยสางสารวัตรเราก็หดสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้นเรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อไม่ให้โกรธความโกรธก็เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าเหตุของความโกรธยังมีมันจะต้องโกรธอีกนะ เหตุของความโกรธคืออะไรอันแรกเลยมีอนุสัยขี้โมโหคือพูดภาษาไทยคือมีสันดานขี้โมโหอ่ะมันคุ้นเคยที่จะโมโหมันจะโมโหบ่อยมีสันดานขี้โมโหอย่างเดียวก็ยังไม่โกรธต้องมีอนันอื่ออีกต้องได้กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถึงจะโกรธนะนะถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจอย่างเดียวนะแต่ไม่มีนิสัยขี้โมโหมก็ไม่โกรธนะเยเพราะฉะนั้นความโกรธนี่ยเกิดจากเหตุตั้งหลายอย่างมาประชุมกัน แล้วก็ปรุงเป็นความโกรธขึ้นมาถ้าเหตุของมันยังอยู่มันยังโกรธอีกแต่ถ้าวันนึงเราภาวนาจนอนุใสที่โมโหนี้หายไปจะไม่โกรธแล้วเะนั้นไม่ได้เรียนเพื่อจะไปบังคับเพื่อแทรกแซงสั่งสารวัตนะไม่ใช่ไปแทรกแซงสภาวะแต่เรียนเลยทุกสิ่งเกิดจากเหตุถ้าเหตุ ด, ดับสิ่งนั้นก็ดับเนี่เมื่อสิบเอ็ดใจลอยไปแล้วเอาอาจารย์ตูส่งกันบ้าน ก็ช่วงนี้ก็ก็ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อก็จะเห็นไอ้ที่มันเกิดดับแล้วบางอย่างที่หลวงพ่อพูดเราไม่เข้าใจอย่างเช่นอย่างเห็นไฟลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่แวบหนึ่งที่มันไปเข้าใจแล้วจากนั้นคือมันก็มีความสุขไอ้ที่ฟังมาทั้งนั้นที่คิดว่าเสีงเข้าใจเนี่ยมันไม่เข้าใจหรอกหลวงพ่อถึงบอกแล้วค่ะเฮฟหลวงพ่อนะฟังได้ฟังแล้วฟังอีกได้นะฟังแล้วเข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอก ฟังไปจนถึงภูมิจิตภูมิธรรมเราพอสมควรแนละ้วความกลักความเข้าใจมันจะเปลี่ยนไปอีกไรลักไม่ได้เอาไว้คิดแไ ร, รลักเอาไว้รู้รนะแล้วจะรู้นะพอเข้าใจใจมันแจ้งขึ้นมาเป็นลําดับลําดับพี่จะรู้เลยว่าหลวงพ่อพูดซื่อๆนะพูดตรงๆอ่ะไม่ได้มีอะไรลึกลับเป็นปริศนาธรรมนะ ค, คนชอบพูดบอกหลวงปู่ ด, ดูลสอนปริศนาธรรมปริศนาบ้าบอกคอแตกอะไ ร, รท่านพูดตรงๆอะ่นะเนาะ ไม่ใช่ปริศนาให้ไปคิดเอาเองท่านไม่ให้ชอบคิดด้วยสิท่านไม่ได้ให้ชอบคิดเอานี่ามาบอกว่าท่านสอนปริศนาธรำแล้วแล้วพอเป็นอย่างนั้นก็คือความกลัวอะไรต่างๆเนี่ยมันรู้ว่ามันมันก็จะหายไปเองเออมันก็รู้สึกว่ามันสงบมันเออนั่นแหละก็ดีแล้วนะแล้วจิตมีอาการยังไงบ้างวันนี้ใช่ไหมคะตอนที่มันเห็นใจรักอะ มันก็แค่สงบสบายาอะค่ะเพราไปไปสักพักสองามวัน<อ><ๆ>แล้วมันก็มีความรู้สึกอยากอีกแล้วนั่น่ะให้รู้ทันนะปัญญามันเกิดขึ้นมาค่ ะ, ะปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะค่ะแต่ถ้าปัญญาแจ้งเต็มที่นะมรรคจะเปิดเฉะั้นทําไปเรื่อยๆแต่อย่าอยากให้มรรคเกิดนะค่ะถ้าอยากให้มรรคเกิดเขาเรียกมรรคมรรคค่ะดีแล้วตูภาวนาได้ดีแล้ว อาวนาจนพระกลัวเลยนะพระกำลังนั่งใจสั่นอยู่อ้อาวจูนถามหลวงพ่อค่ะคือหลวงพ่อเคยพูดว่าตอนที่เรานอนนะคะ<ว>เราไม่ได้แบบกลก ล, กลเวลา เ, ลเวลาที่เราหลับอะค่ะจ่นเคยเห็นว่าสภาวะที่ก่อนที่จะมีคอนเชียสมาค่ะ ภาษาไทยได<ท>้ไหหลวพ่อไม่ชอบคนไทยพูดภาษาฝรั่ง<笑><笑>ก่อนที่จะไม่ใช่อะไรหลภาพแปลไม่ออกมันไม่ใช่ก่อนที่จะรู้สึกตัวตื่นนะคะแต่มันไม่ใช่รู้สึกตัวแบบออคือมันเหมือนกับว่าสภาวะตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบกแล้วมันก็เห็นว่าการแบกมันเกิดขึ้นเออนเนียนะนะคะกับสภาวะกับสภาวะที่เราเห็นกายไม่ใช่เราอะค่ะในขณะที่เราตื่นเนี่ย จ, น ไ, นะจนไม่เห็นว่ากายไม่ใช่เราะคะ่ะเวลาในขณะที่เราตื่นแล้วเรารู้ว่รารู้ลงไปที่กายแล้วเห็นกายไม่ใช่เราเนี่ยใช่ใช่สภาวะสองอันเนี่ยจนไม่รู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันเลยอะคะ่ะมันคนละอันกันใช่ไหมคะรู้ไปเรื่อยๆเวลาขนาดจิตที่ตื่นอนะนัเป็นนาทีทองเลยนะบางครั้งเราภาวนาจนเราไปติดในสภาวะบางอย่างดูยังไงก็ดูไม่ออกไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนะี่ย ถ้าสติเกิดตอนที่ตื่นนะตอนที่จิตขึ้นมาทํางานเนี่ยจะเห็นเลยจิตเคยหยับตัวเข้าไปช่องนี้แล้วก็ปิดค้างอยู่ตรงนี้อนะไรเงี้ยมันจะเข้าใจมันทีหลังไม่ติดดีแล้วเพราะงั้นตอนที่ตื่นปุ๊บนี่รีบมีสติอดีที่สุดแต่สติต้องเกิดเองนี่ค่ะกับตอนนี้จะมีความรู้สึกเหมือนว่า สภาวะจิตมันจะไหลไปเป็นอะไรสักอย่างแต่กลัวแล้วก็ยั้งไว้ยั้งไว้เออไม่ไยอเไปตรงนั้นนะคะนี่คือเห็นเลยว่าไม่ยอมไปไม่ยอมไหลไปที่นั่นไม่ไม่ใช่ให้ไปแต่ว่าให้รู้ว่ากลัวนะให้รู้ว่าพยายามยั้งพยายามยั้งความทุกข์ก็เกิดแล้วอึดอัดใจถึงๆนะแต่ว่าจูนภาวนาดีขึ้นเยอะเลยรู้สึก สองสาวันวั น, นี้รู้สึกห้าวหาญมากเออมันห้าวหาญเวลาภาวนาดีไม่กลัวครูบาอาจารย์นะเวลาภาวนาไม่ดีก็หลบเสามีเสาเป็นสนนะ <c oughs> แต่ลูกศิษย์วันนี้แปลกนะกลัวหลวงพ่อนะแต่ชอบมามาแล้วก็ใจตุ้มตุ้มต่ำต่ำไปเรื่อยแต่ก็ชอบมานะเพราะว่าตอนที่กลับออกไปเนี่ย มันจะเจริญขึ้นพักหนึ่งในวิมลมานใจลอยไปแล้วไปถึงวิมานละกีตา้าเป็นไงว่ามากขึ้นอ่ะดีแล้วนะสองคนดีแล้วนะสองคนภาวนาดได้ดีแล้วสองคนนี้หลวงพ่อต้องเล่นบทโหดเลยนะประยเคาออกมาได้ไป <c oughs> ติดอยู่ได้ตั้งหลายปี ดีแล้วหลุดออกมาแล้วนะส่งไปข้างหลังหน่อยบอยก็พยายามก็เผยออยื้อเรื่อยครับแต่ว่าเออก็เส็จมัน ม, มาเนี่ๆพวกลูกศิษย์เก่าอย่างเงี้ยพอพูดคำว่าพยายามนะจะรีบถอนไปเปลี่ยนไม่กล้าพูดคำว่าพยายามเสลรบ่อยไหม จะมาหาหลวงพ่อก็เผลอบ่อยเลยครับถ้ายังไม่มาหาก็วันหนึ่งอาจจะไปถึงสิบครับน้อยไปน้อยไปนะต้องเผลอให้ได้ชั่วโมงละร้อยครั้งอะไรย่างเงี้ยจะดีกําลังดีมีพระองค์หนึ่งนะมามาจากป่าระอูมาเรียนอยู่สองวันเสร็จแล้วท่านไปขยับนิ้วขยับขยับแล้วท่านก็เออใจลอยไปแล้วขยับขยับใจลอยไปแล้ว เรียนอยู่วันที่สองพอวันที่สามมาท่านเรียนอยู่สามวันวันที่สามมานะตื่นมาเต็มที่เลยถ้าบอกท่านเห็นเลยว่าชั่วโมงหนึ่งนี้ท่านเผลอต้อง100ร้อยกว่าครั้งชั่วโมงละ100ร้อยกว่าครั้งถ้าเก่งกว่านั้นจะพบว่านาทีหนึ่งก็หลายครั้งห้าวินาทีเผลอได้หลายครั้งนะค่อยๆดูเรื่อยๆสติทียิบทียิบขึ้นมาต่ฟังแล้วอย่าท้อใจนะเบอร์สิบอ่ะ ฟังแล้วอย่าไปท้อใจนะ <c oughs> อ่าได้วัลาครั้งก็ไม่เป็นไรวัละครั้งก็ดีแล้วแต่เดิมไม่เคยมีเลยแต่เดิมไม่เคยมีเลยแล้วนี่ได้หนึ่งครั้งเนี่ยพัฒนามากนะต่อไปได้วัลาสองครั้งนี่เพิ่มร้อยเปอร์เน็นเนอ่ถ้าได้สี่ครั้งอีกวันหนึ่งสี่ครั้งได้อีกร้อยเปอร์เซ็นละเห็นค่อยๆเรียนไปอย่าท้อถอยนะ แมนพอหลวงพ่อคุยละเอียดเข้าเลยท้อใจใจถอดใจเลยนะดูออกใช่ไหมดีแล้วดูส่งบอยส่งมาให้คุณ น, นิดหน่อยที่ใส่เสื้อขาวข้างหน้าเป็นไงคนนี้เคยมาไหมกล่าบนวัศสการหลวงพ่อครับคือผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับเป็นเพื่อนของลีครับ เพื่อนใค่นะเพื่อนหลีครับอ๋อเพื่อนหมอรลีเอ้เพื่อนหลีมันมีหมอหลี ค, ครนก็การปฏิบัติตอนนี้ก็มันไีผมว่ามันอยู่ที่ความว่างเดี๋ยวไปเอาความว่างครับพรนะเจ้าไม่เคยสอนนะเราจะไปเอาปลายทางให้เราทําต้นทางต้นทางคือการรู้กายรู้ใจรู้ทุกนั่นแหละความทุกอยู่ที่ไหนดูไปที่นั่นตัวเราอยู่ที่ไหนดูลงไปตรงนั้นะ ในความว่างไม่ได้มีทุกอะไรให้เราดูไม่ได้มีตัวมีตนอะไรให้เราดูเราเข้าไปอยู่ตัวนั้นจะติดติดความว่างนะแต่ว่ายัางตามตามอารมณ์ไม่ค่อยจะทันนะครับส่วนใหญ่จะแพ้โทสะนะครับไม่เป็นไรคนขี้โมโห่มีบุญเพราะคนขี้โมโหดูง่ายโมโหเนี่ยโทสะเป็นตัวที่ดูง่ายที่สุดนะอเอครับเพราะฉะนั้นขี้โมโหภาวนาง่ายดีแล้วขี้โมโหไปโมโหแล้วทุกเองกนะันเนาะ อ้าส่งต่อหน่อยเอาใขอยากคุยกับหลวงพ่อวันนี้ใจดีเอาเชิญทำไมหลวงพ่อให้มีไมโครโฟนอันเดียวรู้ไหมเดี๋ยวแย่งกันคุยส่งกันบ้านนะคะอตอนนี้เพ่งบ่อยแล้วก็เผอเผยเยอะด้วยคะ่ะดีแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยคะ่ะคุยกับพี่สาวอยู่เนี่ยคะ่ะแล้วครั้นี้ พอใจเราไประลึกอยู่ที่กายเนี่ยค่ะเรารู้สึกเหมือนกายมันหายไปเนี่ยการปฏิบัติยังถูกต้องอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าผิดไประลึกที่กายแล้วกายหายไปใจอะค่ะไประลึกที่กายอะค่ะแล้วอะไรหายกายมันหายค่ะอ๋อระลึกกายแล้วทําไมกายหายอ่ะก็เลยงงว่าผิดจริงถ้าระลึกเนี่ยนะมันจะรู้สึกว่ากายนี้นมันไม่ใช่ตัวเรา ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่ไม่ใช่ว่าสูญหายไปนะคือยังเห็นนะคะแต่เราเออยังเห็นอยู่แต่ว่ามันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเรานี่ยนะคะคือถูกแล้วคือเห็นนะเห็นอยู่ค่ะแต่ว่าไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ค่ะเออไม่อย่างนั้นถูกล้วอ๋อยังถูกอยู่ใช่ไหมคะและที่ปฏิบัติที่ผ่านมาแลก็ยังต้องใช้ได้อยู่ทำบ่อยไหมคะฮะยังเพ่งอยู่มากนีมคะนิดหน่อยนี่ล่ะมาจากไหน อไหนคนไหนคุณแม่อแล้วคนไหนจะมาเรียนคุณลูกหรือคุณแม่จะมาเรียนบางคนพาพ่อมาเรียนบางคนพ่อพาลูกมาเรีย น, เ, นย <c oughs> เคยฝึกไหมเคยเรียนมาจากไหนทํากรรมฐานอะไรกันมาเอฝึกพองยุบต่อไปได้นะแต่ปรับนิดนึงการดูท้องพองยุบเนี่ยมันทําได้สี่แบบ ดูท้องพองยุบแล้วเผลอลืมตัวเองไปขาดสติอันนี้ใช้ไม่ได้แบบที่หนึ่งนี้ใช้ไม่ได้เคยเป็นไหมดูดูแล้วใจลอยคิดอะไรไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องขาดสติแบบที่สองเวลาเราดูท้องพองยุบเนี่ยใจเราไหลไปเกาะนิ่งๆที่ท้องเป็นไหมเกือบทั้งหมดจะเป็นอย่างนี้จะไปเพ่งท้องเวลายกเท้ายั่งเท้าจะไปเพ่งอยู่ที่เท้าใจจะไปเกาะนิ่งๆอันนั้นคือการเพ่งคือการทําสมถะนะยังไม่ใช่วิปัสสนา เราทำสมถามากๆก็เกิดอาการของสมถะเช่นตัวลอยตัวเบาตัวโครงตัวใหญ่ตัวหนักนะหรือเกิดขนลุกสู้ซ่าเกิดความรู้สึกแผลๆเหมือนฟ้าแบลบอะไรเงี้ยนี่อาการของสมถะทั้งหมดเลยเกิดความรู้สึกเหมือนแมลงมาไต่อะไรเงี้ยนี่ความรู้สึกอันนี้ของสมถะทั้งหมดนะไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนามีแต่ปัญญาไม่ใช่มีอาการทางร่างกายแบบนี้ งั้นถ้าเราปฏิบัติโดยการเราส่งจิตของเราไปเพ่งอยู่ที่ท้องหรือเอาจิตเราไปเพ่งไว้ที่เท้าเนี่ยมันจะเกิดสมถะนี่เป็นแบบที่สองนะแบบที่หนึ่งดูท้องพองยุบแล้วใจลอยไปเลยใช้ไม่ได้แบบที่สองดูท้องพองยุบมีสติจ้องอยู่ที่ท้องได้สมถะแบบที่สามดูท้องพองยุบเพื่อให้เกิดปัญญารู้กายแล้วก็ดูไปพองยุบเนี่ยร่างกายนี้มันพองร่างกายมินี้มันยุบใจของเราเป็นคนดู เนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญนะพวกเราเรียนรับใจหายไปเราต้องแยกรูปแยกนามให้ได้กายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูต้องจับหลักตัวนี้แม่นๆนะเพราะฉะนั้นร่างกายเคลื่อนไหวนี่มันท้องมันฟองยุบใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่างนี้ใช้ได้ร่างกายมันเดินไปมันยกเท้ายั่งเท้าไปใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้มันจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นทันทีนะไม่ใช่คิดเอานะเราะนั้นถ้าสติตัวจริงเกิดจะเห็นเลยกายไม่ใช่เรา อะไรนะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอาการของสมถะทั้งหมดใจเรามันเข้าไปจอ่อนิ่งๆไว้นะอันนั้นไม่เอาเลยเลิกได้แล้วฝึกไปนานๆติดสมถะนะเพราะฉะนั้นเราดูท้องพองยุบหรือยกเท้าย่างเ้าเนี่ยเห็นรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูสบายๆรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนี่รูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเท่านั้นเป็นคนรูนะ้เราจะเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนีปัญญาเกิด เป็นตอนที่ไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิปัสสนารู้กา ย, ยอีกงานหนึ่งอันที่สี่ดูท้องพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจเข้าไปเกาะนิ่งๆที่ท้องก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจมีโลภปลดหลงก็รู้นี่เป็นการฝึกรู้ท้องพองยุบแล้วก็มาดูจิตะมาทําวิปัสสนาด้วยการดูจิตนั้นดูท้องพองยุบก็ทําได้สี่แบบแบบที่หนึ่งดูท้องพองยุบแล้วเผลอไปเลยใช้ไม่ได้อันที่สองดูท้องพองยุบแล้วเพ่งท้องได้สมถะ ที่สามดูท้องพองยุบนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะนี่เป็นวิปัสสนารู้กายนะดูท้องพองยุบอย่างที่4นีะ่จิตหนีไปก็รู้จิตไปทําอะไรก็รู้รู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่เป็นการทาวิปัสสนาดูจิตนะยกเท้าย่างเท้าก็เหมือนกันนะถ้ายกเท้าย่างเท้าแล้วใจลอยไปใช้ไม่ได้เลยนะนี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเข้าไปเพ่งเท้าอย่างที่โยมเป็นเพ่งจะกระดิกคลิกๆๆไมีเห็นหมดนะ แต่ลืมโลกไปแล้วโลกนี้เหลือแต่เท้าแล้นะอย่างนั้นได้แต่สมถะนะอันที่สามเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นคนดูรูปมันเดินใจเป็นคนดูนี่ทำวิปัสสนารู้กายอย่างที่สี่เดินไปเนี่ยใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งเท้าก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่เป็นวิปัสสนาดูจิตอาศัยการเดินนั่นแหละเป็นพื้นฐานนะกรรมฐานอื่นก็ใช้ได้สี่อย่างนี้นะเหมือนกัน อย่างคนไหนชอบฝึกหายใจก็หายใจหายใจแล้วใจลอยไปนี่ขาดสติอย่างที่หนึ่งหายใจแล้วไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นสมถะอย่างที่สองอันที่สามหายใจเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูนี่อย่างที่สามเห็นเลยตัวที่กำลังหายใจนี่ไม่ใช่เรานะวัตถุก้อนธาตุกำลังกระเพื่มกระเพื่มอยู่มีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นวิปัสสนารู้กายนะ อีกอันหนึง่งหายใจไปใจลอยไปก็รู้ใจไปเพ่งลมหายใจก็รู้ใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็รู้นี่เป็นการดูจิตทำนิปันสนนาดูจิตเราั้นแท้จริงแล้วอารมณ์กรรมฐ า, านแต่ละอย่างแต่ละอย่างแยกออกไปได้เยอะแยะใจของเราจะพลิกไปพลิกมานะถ้าทำเป็นนะถ้าทำไม่เป็นจะเพ่งรูปเดียวจะเข้าไปเพ่งเท้าเพ่งท้องหรือบางทีหลงนะอย่างบางคนพะโมโห ข, ขึ้นมา นะขนาที่โมโหเนี่ยจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าโมโหจิตเป็นกุศลพอโมโหปุ๊บโกรธเนอโกรธหนาะขึ้มานี่คิดละจิตขณะที่จิตคิดกับขณะที่จิตรู้นี่คนละขนาดกันนะวิปัสสนานะจิตมันรู้ไม่ใช่จิตคิดเพะงั้นตรงที่โกรธเนอโกรธเนอเนี่ยจิตตกจากวิปัสสนาละนะบูชาครับโอากาสครับอย่างที่เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศว่าเหมือนกับเราขุดหาตาน้ำใต้ดิน คือขุดไปแรกๆเนี่ยน้ําก็ไหลออกมามันมีขี้โคลนปลนมาด้วยก็ให้มันไหลขี้โคลนไหลไปเรื่อยๆจนถ้าน้ําใสออกมานี่อันนี้หมายความว่าไงครับผมก็ใครสอนน่ะไปถามท่านสิธรรมะนะมันเฉพาะตัวนะเออท่านเปรียบเทียบอะไรก็ก็ต้องไปถามท่านดูที่ <c oughs> จริงก็คือเวลาที่เราหัดรู้หัดดูเนี่ยเบื้องต้นนะ่ะมันดูได้ไม่หมดจดหรอก ต้องค่อยๆดูเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนานๆนะมันถึงจะดูได้เห็นตรงความเป็นจริงค่อยๆทําค่อยๆฝึกไปแต่ว่าองค์ไหนสอนก็ไปถามท่านนะ <c oughs> อะไรนะท่านท่านไม่อยู่แล้วครับอ๋อเหรอท่านไม่อยู่เหรอท่านไม่อยู่แล้วบูชาคิดว่าอะไรอ่ะอก็คิดว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยทีแรกเราคิดว่าเราไม่มีกิเลส แต่ว่าพอปฏิบัติไปเนี่ยมันรู้สึกว่ามันพุ่งขึ้นมาจากที่เราไม่เคย เ, เห็นนะครับเออกิเลสเยอนะะฝึกไปเรื่อยๆใจก็เลิกปรุงเสร็จแล้วเลยได้น้ําใสๆมาพอได้น้ําใสๆมาเนี่ยได้กุศลมาละตายอยู่ตรงบ่อน้ํานี่แหละปรุงปรุงชั่วเราไม่เอานะปรุงชั่วไม่ดีอยู่ล้วปรุงกิเลสไม่ดีปรุงกุศล น, น่ะดี แต่ดีแบบโลกียักุสนแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตปรุงแต่งจิตปรุงดีจิตปรุงชั่วรู้ทันนะอันนี้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นการปรุงชั่วเนี่ยเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารรากเง้าของปุญญาพิสังขารกับอาปุญญาพิสังขารตัวเดียวกันรากเงามาจากอาวิชชาเดียวกันพอเราไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีคิดว่าจิตใจนี่คือตัวเราเราก็พยายาม หาความสุขมาให้มันคนชั่วๆคนโง่ๆก็าหาความสุขด้วยการปรุงชั่วถามว่าคนที่ไปปล้นเขามันปล้นเพื่ออะไรมันปล้นเพื่อจะให้มีความสุขนะมันก็อยากหาความสุขหมามันไปกัดนกกัดแมวอะไรเงี้ยมันก็อยากจะมีความสุขคนเราเบียดเบียนกันก็เพราะอยากมีความสุขเนี่ยปรุงชั่วปรุงดีอุตส่าห์เข้าวัดฝึกกายฝึกใจก็หวังว่าจะมีความสุขอ่ะแั้รากเงาจริงๆเนี่ยก็คือ อัตตาตัวตนนั่นเองอยากให้มันมีความสุขนั้นถ้าเรารู้นะเราจะรู้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจวันหนึ่งพ้นจากความปรุงแต่งทั้งดีและชั่วเมื่อกี้นี่ใครอ่ะ<ม>เบอร์เจ็ดเชิญ<ม>ใช่ใช่<ม>ใช่<ม>เดนนะาตัวดูตัวรู้เนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่ง เออเป็นจิตชนิดนึงตัวหลงนะหลงก็เป็นจิตอีกอย่างหนึ่งมันหลงอือคือจิตเนี่ยนะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี่นิยามของคําว่าจิตนะงั้นตัวที่ไปรู้สิ่งต่างๆเนี้เรียกว่าจิตะเรียกว่าจิตนิ่จิตเนี่ยบางครั้งก็ประกอบด้วยกุศลบางครั้งประกอบด้วยอกุศล น, นะถ้าประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาสมาธิประกอบด้วยปัญญาอะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าจิตผู้รู้ บางครั้งเป็นจิตผู้เพ่งมีสติอย่างเดียวเพ่งไว้มีสติไม่มีปัญญาอย่างนี้ก็มีบางครั้งไม่มีสติเลยใจลอยไปนี่เป็นจิตอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะจิตจะเป็นธรรมชาติรู้ด้วยเหมือนน้าที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสจิตโดยตัวมันเองนะไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่ว่ามันดีมันชั่วนะเหมือนเราเติมสีลงไปในน้ําอะสีเขียวสีแดง สิ่งที่เติมลงไปเนี่ยภาษาแขกเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบจิตเพราะฉะนั้นตัวจิตเองเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เท่านั้นรู้แล้วมันจะดีหรือมันจะเลวเนี่ยเพราะสิ่งอื่นมาประกอบมันก็จิตนั่นแหละไปรู้จิตแต่ว่าจิตดวงหนึ่งดวงที่สองนะไปรู้จิตดวงที่หนึ่งรู้ตามหลัง การดูกายเนี่ยเราดูลงปัจจุบันเราเห็นเลยตัวนี้กำลังยืนเดินนั่งนอนนะใจของเราเป็นคนดูเนี่ยเราดูกายลงปัจจุบันได้แต่การดูจิตเราจะต้องดูตามหลังเรียกว่าการตามรู้การตามดูนะเช่นใจเราลอยไปเนี่ยตรงที่ใจลอยเนี่ยจิตเป็นอกุศลนะตรงที่รู้ว่าใจลอยเนี่ยจิตเป็นกุศลลนะแล้วประเดี๋ยวมัาอาจจะใจลอยใหมนะ่แล้วก็เกิดรู้ตัวขึ้นมาอีก ค, คือจิตมันรู้อารมณ์ได้ครั้งอั้นเดียวรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่สติตัวจริงเกิดนะเราไม่พูดเราว่าสายไหนนะสายกายสายจิตอะไรนี่มันเบื้องต้นดอกถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้จิตเลือกไม่ได้อะไรนะใช่ใช่ใ ช, ใช่อ่ะมันจะสลับไปเรื่อยๆ อย่างนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราสั่งไม่ได้นะเราสั่งไม่ได้ว่าต่อไปนี้จิตห้ามเกิดทางตาห้ามมีจับผูวิญญาณจิตอะไรย่างนี้ห้ามไม่ได้จิตจะไปทางตาห้ามไม่ได้จิตจะไปทางหูห้ามไม่ได้จิตจะไปทางใจห้ามไม่ได้พอจิตจะไปทางใจแล้วจะเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เลือกไม่ได้จะเกิดออกุศลกุศลก็เลือกไม่ได้ดูเพื่อให้เห็นว่าเราเลือกมันไม่ได้รู้สึกไหมเราเลือกมันไม่ได้ ดูเพื่อให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้มันของเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วเราบังคับไม่ได้พอจะมองเห็นหรือยังอันนี้เนี่ยดีที่สุดนะเราต้องการปัญญาตรงนี้แหละที่ปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นวันหนึ่งจะได้เห็นใจยอมรับนะสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นดับไปถ้าโสดาบันรู้เท่านี้เองสองคนแม่ลูกนะยังบังคับตัวเองนะยังบังคับตัวเองรู้สึกไหมชอบบังคับ เราคิดว่าการปฏิบัติต้องบังคับว่าไงคุณศรัญญาถ้าจงใจดูก็ไม่ถูกอถ้าจงใจดูนะมันไม่ใช่ของจริงแล้วสติระลึกเองทั้งกายเคลื่อนไหวสติระลึกได้จิตใจเคลื่อนไหวสติระลึกได้ระลึกเองถ้าจงใจดูใจจะทื่อ ใจจะแข็งชือนใจที่แข็งชื่อเป็นอกุศลนะรูปความรู้สึกถนัด ก, ก็รู้ไปแต่ถามว่าไม่รู้กายจริงหรือไม่จริงถ้าไม่รู้กายก็เดินตกท่อไปแล้วนะ <c oughs> อ๋ อ, อ, อนี่ถามแทนแม่บางวันแนละ้วมีพ่อถามแทนลูก <c oughs> มาอยู่ได้กันป่ะตอนนี้ เคยฝึกแบบไหนฝึกฝึกดูท้องพองยุบไปแต่ว่าดูให้เห็นสภาวะนะดูเพื่อหัดดูท้องพองยุบเพื่อหัดรู้สภาวะเพราะฉะนั้นดูท้องพองยุบแล้วจิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ของโยมยังติดการเพ่งอยู่รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองบังคับให้มันนิ่ง ดูท้องพองยุคต่อไปแต่ดูเพื่อหัดรู้สภาวะเนี่ยใจลอยแว บ, บหนึ่งทราบไหมเนี่ยไปอีกแว บ, บหนึ่งรู้สึกไหมเนี่ยแวบบไปอย่างเงี้ยให้คอยรู้ไปเรื่อยๆหนีไปคิดแล้วทราบไหมยังดูไม่ออกไม่เป็นไรเอาซีดีไปฟังเยอะๆหน่อยนะคือหลายคนมีความศรัทธานะมีเจตนาดี อยากค้นทุกข์ไปลงมือปฏิบัติลงมือทําอะไรต่ออะไรแล้วก็ได้รับความลําบากทั้งมากมาย mm. เหน็ดเหนื่อยมากทรมาณก็อุตส่าห์อดทนนะเพราะรักดีรักศาสนาะรักเคลื่อมใสพระพุทธเ ร, ร้าพระสงฆ์ทนความลําบากมากมายแท้จริงถ้าเราศึกษาให้ดีสะ ก, ก่อนเราจะไม่ลําบากมากนะักเพราะพระพุทธเจ้าท่านลําบากมาให้เราแล้วลําบากมาก่อนเราค้นกว้ายากลําบากนะ ถึงขนาดตายแล้วตายอีกทรมานมากถึงได้รู้เส้นทางที่แสนจะสบายนี้เส้นทางที่ง่ายๆแต่คนนึกไม่ถึงคนคิดแต่ว่าทำยังไงจะเข้าไปจัดการกายนี้ใจนี้ให้มันพ้นทุกข์หาทางทำจะให้มันพ้นทุกข์แทนที่พระเจ้าจะหาทางทำอะไรท่านกลับเข้าไปเรียนรู้ทุกข์ใครๆอยากละทุกข์แต่ท่านกลับไปเรียนรู้ทุกข์เนี่ย ว่าท่านจะเข้ามาจะเข้าใจธรรมะตรงนี้ท่านลำบากมาเยอะลองผิดลองถูกมาเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเยอะฟังคําสอนของพระเจ้าแล้วก็จะง่ายหัดรู้สึกหัดไปหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดเองถ้าสติตัวจริงเกิดแล้วฮีรีโอตปะจะเกิดขึ้นเองอินเซียสังวรศีลศีลเนี่ยจะเกิดขึ้นเองพอศีลเกิดขึ้นสัมมาส ม, มาธิจะตั้งมั่นขึ้นมาเอง ปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ยานทัศน์จะเกิดตามขึ้นมาเป็นแถวเลยเฉะั้นจุดตั้งต้นเนี่ยอยู่ที่ว่าหัดสังเกตสภาวะไว้หัดสังเกตสภาวะมากๆต่อไปสติจะเกิดในพระพิธรรมสอนบอกสติมีการจําสภาวะรมได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเพะั้นเราต้องหัดรู้สภาวะเรารู้สภาวะแล้วสติจะเกิดเองสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นตามมานะ วิธีหัดรู้สภาวะก็ไม่ยากอะไรเคยฝึกกรรมฐานอะไรก็ฝึกอย่างเก่าดูท้องพองยุบไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งก็รู้นะฝึกไปอย่างเนี้ย๋สติก็จะเกิดขึ้นเองพอสติเกิดนะจิตใจจะโล่งเลยปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเอาวันนี้พอแค่นี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะชวนพวกเราไปดูเขายกพระกันนะหรือเขายกเสร็จแล้วก็ไม่รู้